ขอความเจริญในธรรมคงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพติยานได้ํำเสนอถึงทรงวิเคราะห์พระไถ่ในขณะที่บาเพ็ญเพียรทางจิตเป็นข้อความที่รับสั่งเล่าให้รานุรุตนันทิยะแล้วก็พระกิมบิละนัดขวางถึง การต่อสู้ปัญหาประสักภายในประเทศไทยของพระองค์กรที่จะสัตย์สุก็ว่ามาถึงข้อที่เรียกว่าอุปิละคือความตื่นเต้นประการต่อไปก็คือเขาเรียกว่ารุดทุนละแปล ว, ว่าความขนองความคึกขนองใจมันไปเพลิดเพลินไปสนุกสนานอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ส่วนใหญ่เราก็จเจริญสมาธิอยู่นะครมันก็เป็นเรื่องของความคิดเหนียวนึกถึงถึงเรื่องอะไรแล้วก็กำลัดเพลิดเพลินชื่นชม ย, ยินดีอยู่ในเรื่องเหล่านั้นหรือว่าเป็นเนกุศลแก่สนุกสนานแต่รพระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าพระแต้าอาจจะเป็นเหนียวอะไรที่เป็นเอตร์เพลิดเพลินแล้วใจมันก็เตลิดไปเรื่อยเพราะงั้น ก็ทําโดยวิธีที่วิจิตจฉาก็ดีทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาแล้วทั้งหมดคือมไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นการตั้งสติกนระลึกรู้อยู่ที่จิตในขณะนั้นอะไรก็แก้ปัญหามันไปเหมือนว่าอะไรล่ะกอต้องการปิดประตูไห้สั์ข้าวสั์อะไรก็ตามแม่ข่า ก็แล้วแต่สัตว์นะฮะมันไม่ใช่มาทั้งหมดทีเดียวก็แล้แต่สัตว์อะไรกิเลสมันก็เหมือนกันอย่างนั้นประการต่อไปนั้นเขาเรียกอัจจารัฐวิริยะคือความเพียรพยายามที่มันเอาจริงเกินไปมากเกินไปความเพียรมันก็เหมือนกับสายพิวเนี่นงที่พูดอคือตะตึงเกินไปมันก็ขาดหย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดัง มีพระเทรรรูปหนึ่งชื่อโสนะโกริวิสะเป็นคนที่แปลกคือว่าพื้นเท้าของท่านนีมีขนพื้นเท้าบางแล้วก็มีขนพวกแขกก็เอาไปหลอกหากินชาวบ้านก็ญาติพวกญาติญาติพี่น้องพวกพวกหากินก็เขานำมาเพื่อให้ประราชาทอดพระเนตร ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะภาษาคาตะท่านไปเห็นข้าวภาษาคาตท่านเป็นพระปุตุชนแต่ท่านได้ปัญญาแต่เห็นข้าวท่านกระบอกว่ามนนอกเรื่องเลยท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นเห็นคนก็เบนความสนใจมามาอยู่ที่ท่านแล้แสดงอิทธิฤทธิ์นําคนก็ตามดูอิทธิฤทธิ์ของท่านแล้วนําไปถึงก็กราบแทบบาทโอ้พระเจ้าแล้ว ก็เห็นก็โอ้โหพระองค์นี้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากแต่ว่ายังเป็นลูกศิษย์ขององค์นี้แต่อีกผลแสดองว่าองค์เนี้มีอิทธานุภาพมากมันจิตใจมันอ่อนน้อมใคร่จีจะฟังธรรมะของพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังโซนะโกริวิสาเนี่ยโสนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเรียกโกริวิสาเนี่ย คงเป็นชื่อโครนะนะก็ ข, ข้ามาฟังอยู่ด้วยก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่ขอบวทก็ตื่นเต้นนะฮะต้องการจะได้สัมผัสผลดึกๆึกในเวลานวดเร็วบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกหมดเดินไม่ได้ท่านครานจงกรม คราดจงกรมเลือดโชคเปือ้อนเหมืองก็ใครเอาไก่มาไก่มาเชือดแถวนั้นผู้จ้าเสด็จไปก็ทรงรู้อันนะก็เสด็จไปก็รับสั่งถามว่าใครเดินจงกรมตรงนี้นี่เป็นเลือดอะไรใครเดินจงกรมตรงนี้เพื่อจะประลบแล้วก็เรียกพระโซนะกลวิศามาก็ตักเตือนให้สติให้นึกถึงการดิพินเวลาเนี้ยวิธีการมาเป็นเพียงของท่านนะมันฟุ้งแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าความเพียรมันหนักเกินไปคือความเพียร น, นี่ไม่ได้นะต้องประคองเขาให้ดีคือสมมติว่าเขาหย่อนเนี่ยเขาจะง่วงเลยก็ทํำมาลงง่วงเลยเราจะเป็นทีนามิถะแต่ถ้าหากว่าเราความเพียรมากเกินไปมันจะฟุง้งไม่ได้เรื่องทั้งคู่นั่นแหละเพราะความเพียรจึงต้องอยู่ในสายกลางแบบขึงพินแบบ จะดีพินเนี่ยสายพินจะต้องไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปประการต่อไปก็อติลีนวิรยะคือเพียนพยายามที่หย่อนเกินไปหดูผเกินไปซึมเศร้าเกินไปมันก็หนักไปทางถีน้มิทะนะหนักไปทางถีนมิทะถ้าความเพียนอย่างนี้ก็กลายเป็นซึมเศร้ า, ดาเดินกลายเป็นการง่วงหลับไปสมาธินั้นไม่ต้องพูดหรอก ใจแตกครับพราะงั้นก็ดูดูแล้วก็ต้องพยายามไม่ใหพวกที่มีชื่อทั้งหมดที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นลักษณะอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าชับป่าและนี้เป็นอภิชับป่าคือใจมันสายกระซิบใจนะฮะอันนี้รอยนะอันนี้อร่อยนะอันนี้น่าเที่ยวนะอั น, นี้น่าจมนะอั น, นี่น่าฟังนะอันนี้น่ากินนะมันก็ซิบเรื่อยเละ ถ้าเราสังเกตนะฮะเวลาบางทีมันก็ซิบจนเสียศูนย์เลยตั้งใจจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยอย่างยางบางครั้งเนี่ยมันก่อเน้นเขาเไรัยสตางค์ที่จะช่วยโรงพยาบาลศรีนครินสมเด็จ ญ, ญาที่ขวัญแก่นนึกจะโทรสมทบหน่อยมันก็เขินไกล้าโทรกลัวเขาจะเอาชื่อขึ้นขึ้นไป เพราะในการทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องแอบทำทาพออะไรเราก็ทำได้เราก็ทำไปเรื่อยๆที่จริงกิจกรรมอย่างนี้น่าจะทำเพราะฉนั้นถ้าทำในโอกาสต่อไปมันก็ต้องส่งไปที่ที่นั่นเลยแต่เอาขึ้นชื่อขึ้นเสียงยังไงไม่รู้พลาไปเข้าไปทำในกิจกรรมเหล่านั้นที่จริงก็ดีนะเป็นการบาเพ็ญกุศลช่วยกัน พวกนี้มันจะกระซิบใจแล้วบางทีก็ทําได้เสียเลยเิ่นสมมติว่าเราตั้งใจจะไหว้พระตรวจหมุดก่อนนอนชนิดหน่อยบอกไม่เป็นไรหรอกคืนเนี้ยเหนื่อยมาไหว้แต่ทีเดียวก็พอแล้วพอไหว้ทีเดียวก็พอแล้วเนี่ยพอนอนเนี่ยมันชักจะคุ้นนะ่ะเพราะพวกนี้ก็จะมาในรูปเป็นมิตรพวกชะปาเนี่ยก็มาในรูปเป็นมิตร เพราะเราก็หลงทางเ็เลยทำไปทำมาเนี่ยก็เหมือนคืนก่อนเฮยไม่ต้องไหวเลยแล้วในที่สุดเดียเราจะถอยห่างออกไปเรื่อยจากสมาธิอันนี้ก็มีปัญหาอีกและประการต่อไปก็คือนานัตสัญญา คือคือวุ่น่ะที่จริงมันมีอาการวุ่นตั ส, สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันไม่ใช่น่าที่อะไรของเราอย่างเคยพบเด็กคือเด็กเนี่ยมันคุมก็ยากอ่ะบางทีเพื่อนก็นั่งสมาธิไอ้คนหนึ่งไม่นั่งเอาไว้สะกิดเขาไปดึงผ้าเขาเอาไปซุบซิบที่หูหรือไปคุยกันหรือว่าเล่นทําอะไรนั่งขูดอะไรของแกเพื่อนก็เดือดร้อน แล้วถ้าไปรับลูกแล้วก็จบเลยคือไม่ต้องทำเพราะฉะการเจริญสมาธิเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทานศีลภาวนาก็เหมือนกันนะมากกว่าเป็นภารกิจของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบคนอื่นก็จ้างเนี่ยก็ทํายังไงเรื่องของเขาก็ช่างเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปแต่ว่าถ้าไม่ปล่อยแล้วเนี่ยนานัดสัญญาเลยอนั่นก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอย่างนี้นะ เป็นความจำหมายในหลายๆเรื่องแล้วก็นำมาเหนียวนึกตึกนึกตึวนึกที่จริงเนี่ยพวกนี้ก็ไปถึงจุดหนึ่งก็คือฟุ้งซ่านนี่นนะจิตมันก็จะฟุ้งซ่านซัดสายออกไปประการอีกีประการหนึ่งบาลีเรียกว่ารูปานังอตินิชชายิตัตะไปเพ่งที่รูปหลาหลายนี่เกินไป พอเพ่งแล้วเนี่ยมันจะเครียดนะถ้ยสมมติว่าเราจะเริญนสมาธิต้องการจะให้จิตสงบแล้วก็เรียกว่าเหมือนก็สะกดจิตอะคือเพ่งมากเกินไปแล้วในสุดก็ปวดปวดตามตามหน้าผากตามระหว่างจมูกนะฮะแางเนื้อจมูกขึ้นไปเนื้อดังจมูกขึ้นไปเราแสดงว่าใจก็ไม่สงบ เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตว่ามันมีทั้งหมดก็สิบกว่าข้อนะแต่ที่จริงก็คือค อ, อาการของสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์แต่ว่าในที่นี้ท่านเรียกว่าอุปกิเล ส, อ, เลสอุปกิเลสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนําจิตให้จะใจจิตใจให้ขุนหมวยทราบมองอันนี้วอร์มก็คือการนั่นแต่ตามจิตใจใขุนหมวยทราบมองทีนี้ปัญหาว่าแก้ยังไง ร, รับสั่งว่าดูก่อนนะัรถทั้งหลายเรารู้แจ้งชัดวิจิิจฉาเป็นต้นนะฮะว่าเป็นอุปกกเลสแห่งกิตแล้วจึงละแล้วซึ่งกิเลสเหล่านั้นเห็นป้๊บก็ละมันคือปัญหาพวกเหล่านี้มันเหมือนกับที่จริงมันเหมือนเข้ามาโฆษณาโฆษณาสินค้าเนี่ยถ้าเราไม่สนใจสักอย่างเนี่ยก็จบแล้วมันไม่มีอะไรนะแต่เราไปไปใส่ใจไปให้ความสาคัญ แล้ววิธีการของของเซนแมนนะ่ะนะมันหยดย้อยพูดสือผลเคลืบอเคล่ถ้าหากว่าจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆก็เลื่อนไหลไปตามกระแสตรงนั้นเพราะฉะนั้นพวกอาการเหล่านี้ต้องมองให้ชัดเจนเป็นโทษตี่ชัดเจนเรียกมองมองโทษโดยความเป็นโทษแล้วไปจักแจ้งแก่ใจพวกนี้เหมือนกับไฟเหมือนอสระพิษ เหมือนกับจาพิษที่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยก็ตามอะมันเป็นอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยกันทั้งนั้นและจากนั้นก็ส่งแสดงหลักการหลักการเป็นข้อที่น่าสังเกตอ่ะว่าจะพูดเหมือนกันทั้งหมดถ้าเราดูให้ดีนะคือการมาเป็นเพียนทางจิตเนี่ยจะเป็นสมถกรรมฐานหรือปรัชนากรรมฐานหรือแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกัน หนึ่งเราต้องมีปัญญาเป็นหลักสองเราต้องมีสติสามเราต้องมีความเพียรแล้วพวกนี้ที่จริงเนี่ยเขานำเราไปสู่ผลสูงสุดได้ทั้งสามข้อนั่นแหละแต่ว่าเพื่อจะเกิดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่เราต้องการนะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสามข้อที่จริงไม่ใช่สามข้อหรอกแต่าสามข้อนี้เป็นตัวสร้างธรรมะกลุ่มอื่นขึ้นมาอีกตอนหนึ่ง เราจะได้ยินส่วนใหญ่จะใช้คําว่าอาตาปีสัมปชานุสติมานะอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เปากิเลสให้เราร้อนสัมปชานุคือสั ม, มชัญญะนะฮะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สติมาระความเป็นคนมีสติเพราะงั้นเวลาถึงพระองเองรับสั่งคํามันเปลี่ยนแต่เนื้อหาธรรมะไม่ได้เปลี่ยนค ร, รับเราสั่งว่าเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่ ยอมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปย่อมเห็นรูปไต่จำแสงสว่างไม่ได้ไอเ น, นี้ยมันมันมันก็ทําไปเรื่อยๆจนเห็นรูปจำแสงได้แล้วก็เห็นรูปแล้วก็รูปนั้นชัดขึ้นอยู่ได้นานคุยกันไม่ได้แต่ในสุดคุยกันได้คุยกันได้นิดหน่อยแล้วจนถึงมานั่งคุยกันเลยอันนี้ก็ติดต่อกับพวกโลกทิพย์คือติดต่อกับพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ย ตอนเราพบเวลาพวกเทวดาหมากฟ้าพระพุทธเจ้าก็นั่งคุยกันนะเทียงแต่ว่าเทวดาเขายืนก็าถามว่าทําไมเทวดาจืดบอกเข้ามาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าแต่ว่ากลิ่นโลกมนุษย์เนี่ยปรากฏแก่เทวดาทั้งร้อยโยชนะข้ามมาบรรยากาศโลกโลกร้อยโยชเนี่ยโอ้ยเครื่องบินขึ้นไม่ถึงกันนะนอกจากยานวากาศ เทวดาก็ไม่ไหวแล้วมันเม็ดโลกยังทุกวันยังนึกว่าคงจะปล่อยไกลกว่า น, นั้นแล้วนะปมนแลพิษมันเยอะเเกินโลกมนุษย์เราเนี่ยบางทีมึนเลยนะยังไปต่างจังหวัดเอเามาอิกาต่างจังหวัดปอยไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่อยากกลับมันรู้สึกมันเบาแล้วก็โดยเฉพาะเสียงเวลาบรรยายอบรมเนี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนไปไหนแล้วเราก็พูดได้นะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราพูดได้ ไม่ค่อยเหนื่อยอยู่กรุงเทพสู้ไม่ไหวเลยเพราะว่ามันใกล้ๆอากาศมันจะน้อยได้ออยังไงเนี่ยพูดนานๆขนาดนั้นไม่ได้สมมติว่าได้เนี่ยก็เสียงตกแล้วก็แสดงเห็นว่าบรรยากาศโลกส่งมลพิษไปไกลนะเทวดาเลยขยะ ต, ตอนนี้เลยไม่ค่อยมากันเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือไม่มีพระที่มีกลิน่น กลินของศีลฟุ้งก ร, รกระจายไปถึงโลกสวรรค์นี่ก็น้อยไปเราก็จึงไม่ค่อยได้ข่าวทางเทวดาทั้งหราแล้วก็มันจะเดินมาเรื่อยๆอนยะ่างนีเน้เดินไปเรื่อยๆเลยเช่ น, นสมมติว่าพอถึงช่วงหนึ่งรับสั่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วบอกว่า จำแสงได้นิดเดียวเห็นรูปก็ได้นิดเดียวบ้างจำแสงมากไม่มีประมาณเห็นรูปก็มากไม่มีประมาณก็แล้วแต่นะฮพวกนี้พวกนี้มันมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าอย่างหนึ่งมากจะหนึ่งก็มากเป็นดังนี้ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนและทั้งวันบ้างความสงสัยเกิดขึ้นแกี่ยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จําแสงสว่างได้นิดเดียวแล้วก็เห็นรูปได้นิดเดียวก็มาแก้ไขอีกนะฮะก็มาเจอพวกเหล่านี้อีก ก็ในในที่สุดก็พยายามแก้จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกทั้งหมดเนี่ยพวกวิจิตรชา้าพวกความตื่นเต้นพวกความหวาดกลัวพวกง่วงนอนพวกความเพียเกินไปเนี่ยดังกล่าวโดยสรุปว่าอุปเิเรตแห่งจิตของเราเหล่าใดอุปกเกรตของจิตของเราเหล่านั้นเราต้องละเราละได้แล้วเดี๋ยวนี้เราจะเริยนแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีสามอย่าง แล้วก็เสร็จได้รับสั่งว่าอนุนเราเราจะเริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกมีวิจารณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์อันไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ซึ่งสมาธิอันมีปิติซึ่งสมาธิอันหาปิติไม่ได้นะคือนี้เป็นวิธีการอธิบายฌานอีกวิธีหนึ่งก็นามไม่เห็นว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราจะพบในพระสูตรเนี่ย ก็ เ, เรียกว่ารูปฌานสี่แต่พอถึงอภิธรรมเนี่ยมันมีคําว่าปัญจมฌานอยู่ด้วยคือแยกวิตกวิจาร์ออกไปลองลองสังเกตนะในพระสุตนี้ก็สรงแยกสรงแยกออกไปเลยคือหมายความว่าสมาธิบางอย่างเนี่ยมีวิตกวิจารณ์บางอย่างก็ไม่มีวิตรมีแต่วิจารณ์บางอย่างก็ไม่มีทั้งสองอย่างมีปิตนะิบางอย่างก็ไม่มีทั้งทั้งสามอย่างนั่นแหละ ก็มีมีสุขกับสมาธิก็ว่าไปได้ก็เดินไปได้ต้องอื่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนข้อแรกก็เลยเปลี่ยนกันมาเป็นแถวก็สรุปว่าดูก่อนอนุรุธทั้งหลายการใดสมาธิอันมีวิตกวิจารเป็นต้นเป็นธรรมชาติเราจเจริญแล้วการนั้นยาน เป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแกเราว่าวิมุตต์ของเราไม่กําเริบตรงนี้ที่จริงช่วงหลังนะฮะช่วงหลังหมายความว่าเกิดขึ้นเมื่อรงจัดสรุปแล้วก็เป็นการเล่าสองตอนแต่ว่าจะมาสรุปถึงตอนจัสรุปก็จะใช้คำว่บัดนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยในอดีตอดีตการก็น่าจะนํามาเล่าก็แสดงไปเรื่อยเพราะนั้นประการสาคัญในการทํางานอะไรก็ตาม ทรงนี้ก็ทรงใช้แนวเดิมนะฮะแนวเดิมเป็นการพูดเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดแห่งทุกเรื่องความดับทุกนั่นแหละแต่ว่าทรงใช้คําคําใหม่คือสถานะของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่ารสอร่อยหรือว่าความมาคาตพยาบาทหรือว่าความบิดเบี้ยนไรก็ตาเนะี่ยแล้วมองเห็นโทษของเขาคือมองอาชินวะหรืออาชินนบเนี่ยโทษของเขาให้ชัดเจน ที น, นารการเป็นโทษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทียบระดับไหนสังสารวัฏเองแม้แต่การเป็นพระนาคามีนะฮะสําหรับพระหานก็ยังเป็นโทษอยู่มองจากจุดสูงสุดก็ยังเป็นโทษอยู่พระพระนาคามีท่านก็ไปต้องบังเกิดในสุทธาวาสเราก็อยู่ตรงนั้นจะนานมากเลยเพรมันก็ถือว่ายังไม่พ้นจากทุกข์เพราะยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารมันไม่ใช่วนนะแต่ยู่ในสังสารวัฏ อยู่ในสังสารวัฏอยู่นานในสายตาของรพระพุทธเจ้าปรานทั้งหลายจึงมองท่านเหล่านั้นว่ายังมีปัญหาหมู่ประสักอยู่ยจนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นทั้งว่าพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนะทั้งเป็นของทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์ประณีตยังไงก็ช่างมันจริงๆแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ผลของพุทธเจ้าพระราหันทั้งหลายที่เป็นภาษาดิบดูอย่างเนี้พวกพวกนี้พวกไม่ปรารถนาการมแล้วเผลพบมันจะประนีตยังไงท่านก็ไม่ต้องการเห็นไหมถ้าท่านต้องการพบติประนีตนะ่ะไม่ต้องมานี้หรอกไม่ต้องมาค้นคว้าทรมารร่างกายอะไรหรอกพระพุทธเจ้าในช่วงที่อยู่สํานักอลาออุทกดาบุรามบุตร่มันได้สมาบัติแปด ก็หมายความมาต้องการเกิดสวรรค์ก็ได้แล้วต้องการเกิดเกิดพรหมโลกก็ได้ต้องการดูนานที่โพรหมโลกก็ได้ก็ยังนึกถึงสํนานักวัตธรรมกายเนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดชนิดเดียวแต่นั้นเองก็เคยเตือนมาที่ท่านธรรมโมลีพวกไปท่านธรรมโมลีไปเตือนเข้าไปไปสอน็ขาว่าไงเรียกมาคุยอธิบายกันให้เข้าใจ คือบอกว่าเราต้องการอย่างนั้นต้องการชีวิตที่มันยั่งยืนถาวรอย่างนั้นก็เอาไปในพระโมโรคแน้่มันอยู่เป็นกับๆแล้วก็ไม่มีใครไปนับได้มันอยู่เท่าไหร่อ่ะก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่นิพพานมันเป็นก็เรียกว่าเป็นวิคขมภณนะวินิพานนะได้วิคขมภณะวิมุตนะได้แต่ไม่ใช่ตัวนิพพานจริง อย่าไปอธิบายอยู่อย่าไปยุ่งกับพระพุทธเจ้าอย่าไปยุ่งกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเราเราอย่าไปเลยนิพพานเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ในพรหมโลกดีกว่านะว่างๆต้องการจะเกิดก็ได้เกิดอีกต้องการจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์นะฮะไปเที่ยวในทั้งสารวัฏได้ก็มีต้นทุนเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ก็ว่าไปนะฮะก็สอนไปก็าไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรือยังนึกว่าเอ๊ะทำไมมันไปดื้อดึงกันหนักหนาะ เรื่องมันไม่จําเป็นนะฮะเมื่อเราต้องการอย่างนั้นมันแน่นอนว่าไม่มีในนิพพานเพราะงั้นในในข้อเ น, นี้ยเราจะเห็นว่าจะรับสั่งซ้ําอยู่งั้นในอุปกรณ์ ส, สูตรก็เหมือนกันนะบอกว่าญานก็แลญานได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าวิมุตของเราไม่กลับกําเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายวันนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีก อันนี้ก็สรงแสดงนะฮะสรงแสดงก็เห็นเอกสารแนวเนี้ยส่งมาให้บ่อยแต่ว่าไปอ้างไปเลือกอ้างที่มันถูกกติติีตัวเองคือไม่อ้างให้หมดบางคนที่ก็ศึกษาแล้วเรียนมาเนี่ยพอเเห็นป้าบอกเอ้คุณไม่สุดจริตนี่นะทำไมยไม่อ้างอีกแข่งหนึ่งล่ะทำไมไม่อ้างอีกแข่งหนึ่งคือบางทีไปอ้างอัตกถาไปอ้างอาจารย์อย่างเนี้ยอย่างเช่น อาจารย์บัวท่านอธิบายอธิบายอีกภาษาหนึ่งอย่างนั้นน่ะคือว่าอัตานาตาเนี่มันสมมติทั้งคู่นั่นแหละอาจารย์บัวบอกนี้ผ่านไปเป็นทั้งอัตตาทั้งอัตตาใช่จะไม่สมมติอย่างนั้นก็ได้แต่นั้นเป็นภาษาที่เขาสมมติเมื่อเขาเรียกอย่างหนึ่งเป็นอัตตาเราก็เรียกว่าอัตตาเรามันตรงกันข้ามกับอัตตาทีนี้จะให้เป็นอย่างอื่นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ แต่ว่าคำคำนี้เป็นคำคำหนึ่งที่เรียกนิพพานในหลายๆคำนะเพราะว่านิพพานมันมีตั้งยังนึกว่ารววมร้อยคำ น, นะที่เคยพบแล้วเนี่ยมัเ ก, ก้าสิบกว่าคำก็ยังพบไม่หมดยังศึกษาไม่หมดนะนะที่จริงก็จด จ, ด, จ ด, ด, ดไว้ก็เยอะมันเป็นคำที่อธิบายยากไม่ิชภาษาอธิบาย เป็นภาษาสัมผัสในหวานยังไงมันยังไงหอมยังไงเปรี้ยวยังไงเค็มยังไงไม่ว่าทธิบายยังไงพราะนิพพานจึงเป็นปัจจตังคือเป็นรู้เห็นได้จะพาะตัวแล้วพอรู้เห็นแล้วจะออกมาอย่างนี้ทุกทีการหลุดพ้นก็เราไม่กาเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบวันพิธีเกิดใหม่เพราะเราไม่มีอีกต่อไปมจะออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง พเป็นการดินยันถึงว่านิพานนั้นไม่มีพบแล้วก็มันเป็นเฉพาะผูกไม่มีพบไม่มีรูปไม่มีอายะตะนานิพานไม่มีแดงผ่านไมเมืองเมืองนิพานอะไรทั้งหมดเลยมันไม่มีตัวตนไปเกิดเนี่ยมันจะมีได้ยังไงต้องฟังทั้งหลายแต่รูปปัฏฐานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตท่นี้ที่สุดนี้ขอความเจะเดินงองงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี